ว่าเป็นทํามบรรธรมสวัสดหรือว่าอุโบสถาพูดให้เจ้าหรือบัณฑิสกหอดเอาไว้บารสุบาสิกาออกมาวัดมาว่ามาทาความสงบจิตพราะว่า ระดับฟังระดับภาษาหนึ่งปิดใจให้ใสสว่างให้สะอาดมีหมายถึงพราะว่ามันจะมีติตยุ่นหยงหลายอย่างแต่ทั้งหลายก็ดีทุกคนตม่วนักบวดหรือเพราะว่าเกิดมาก็มีการแก่การเจ็บการตายเดียวกันทั้งนั้น มีไทรืเป่เหลือหรอถ้าเกิดมาแล้วจะต้องแก่ชวนแลวแต่สลายนี่เป็นความจริงจริงไม่ว่าสมัยจรงหมดไปตามกาลตามเวลาคือยังคงสิ่นคงว่าอยู่เป็นอาการหรือกระทำคนที่เกิดมาจะต้องแก่เสียตายถั่วหน้ากันไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศ ใบกาตามเนี่ยอัน <c oughs> ดีที่เรือง ม, มาแล้วกลมหืองกันปัจจุบันตัวอย่างนั้นอนานะคตยังหนีมาทางหน้าก็าจะเป็นไปอีกเส้นเดียวกันหมดเป็นอย่างนั้นควรเกิดมาก็าจะต้องแสวงหาคุณนัทธรรมคืออาหารท้องใจ เนื้อหาของกายของเราทั้งหลายของบ น, บ น, บ น, บนรักษาอยู่จริงแต่จำมาไม่อย่างนั้นกายมันก็ค้างไปแตกสลายไปช่วยอยู่ไม่ได้เก็กายอาศัยอาหารเป็นเชื้หล่อเลี้ยงมีชีวิตยืนเดินข้งมายิ่งมีกาลังที่จะต่อสู้การงานต่างๆในด้านจิตใจ อาหารของใจนั os, ้นก็ต้องมีอีกถ้ามีอาหารทางใจมีแต่อาหารทางกายใจนั้นก็จะเกิดความโลภความโกรธความหลงพวิคุณขึ้นถึงจะได้อาหารทางายมากมายขนาดไหนใจก็ไม่มีวันสงบระงับไม่มีวันสุกขไม่มีวันสบายได้เพราะถึงจะเหนปัญหา าาอาณาธิปตยต่างๆลบปลี่ยนเรืองของใจแสดการแสวงหาอาหาร้องใจเป็ น, น, นเป็นเงจจ่วนจำเป็นที่ทุกคนกควรแสวงหาอาหารท้องใจแต่ม่มีอะไรอื่นที่จะจะเิไดไปเสดนิ่งกว่าอัดทำคำสอนของพระพุทธเจ้า กเรานำอัดทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาที่นนะี้พิจารณาเพื่อกำจัดปัดเตาใจที่มีปีเลจัญหาปกปวกลกมึนงงอยู่นะั้นให้เบาบางสว่างเหยียไปเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่กำจัดปัดเ ต, ตาปีเลจัญหาภายในเราจะพิจารณาคแก่ความเจบความตายนี่จะเป็น เรื่องอันหนึ่งซึ่งจะแก้ไขตัวของเราที่ประมาทมัวเมาาเราจะมีอายุยืนยงคงทนไปนมนานเพราะถ้าเราคึกถึงความแก่ความตายเนื่องของที่ยืนยงเดือยยืนหลงติในชีวิตแล้วจะมีความยืนยงคงอยู่เบาไปบางไป เพราะการพิจารณาธรรมะพิจรณาความแก่ความตายนั้นเป็นรื่องที่จะตําหน้าใจในรุ่มเลื่องในวัยขั้งตนในชีวิตของตนนอกจากนั้นทมของพุทธเจ้ายังสอนอีกต่อไปหมื่ทุกคนเกิดมาจะต้องมีแก่มีจิต ม, มีต า, ยตายอย่างนั้นและจะต้องจาภาพัดภ้า คืเรารักบางอยงแห น, เ, หนเราชอบ พิเนตไม่ได้ยังเสียเงินได้ตายเสียไปอีกธากิจ บ, บริสุทธิ์จะมีมุดจริงงดีชื่อเหล่านั้นไน่สามารถอำนยวยผลให้ไปเกิดภพน้อยภพใหญ่อีกเพราะทราบดีในความบริสุทธิ์ของตนแต่นั้นเราทุกคนซึ่งยังไน่ถึงที่สุดมีมุดนิความอย่างนั้นจนงพากันสอนออร้างเสมอบรมคุณงามความดีเพื่อ เปลี่นตัวในการจะไปทางหน้าเหมือ น, นกันกับคนประเดินทางตําดาลหากปเปลียนตัวอะไรไม่มีอะไรติดเมื่อติดตัวไปจะต้องทุกข์ยากลําบากไปถือ ส, สิ่นที่อไอใสไม่มีอะไระติดจะเป็นทะเบียนในการเดินทางเมื่อเป็นอย่างนั้นความทุกข์ยากลำบากบา ก, ก็ไม่ใช่ใครอื่น คนที่เหียตรียมอะไรใจในทางกัมดาว น, นั่นเองจะได้รับผลพระพุทธเจ้าและศาสตร์วบไปแผ่นจริสอนให้เตรียมตเตรอไว้ในเมืเ่อที่เหลปัญหาอาวิชชาตาทานยังมีอยู่ในใจทัง้งตนให้คนเหล่านั้นไม่ต้องผ่านทางกัมดาวพิชาติเวลาเมรณะต่อไปเมื่ในมีสเสียง กินหรือไม่ที่บกพร่องอะไรไม่ได้ต่วนตาที่นี่ที่เจนะอาหารต้องใจตาคือมุ่งกฉันกินเป็นของจำเป็นที่ทุกคนจะต้องก่อสร้างเอาไว้เมื่อเราพัาดพาจากสิ่งที่รักที่ชอบใจไปแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นเพื่อนสองดีดานานดาปูหยาตาเถื่วนเถื่อนฟุ้งล้างเลน จะมีพันธุยาจะส่งเสียได้แต่ถึงตาช้าเลยเล่นใจไม่ได้สิ่งของคองให้แตเหมือนกันถ้าไปเผาไปก็เป็นของของไปเสียเอาไปที่เหนก็เป็นของหัวของดินไปเสียมันเสืมมันเสียไปตามเมืองตามการตามอายุขวาน แต่มนุษย์เสนนั้นเมื่อตาย้าตุยึดยังคงเชี่ยวอยู่ไม่ต้องติดตัวไปคือพบ่น้อยพุใหญ่ตามความเกิดของตัวความมีความชั่วพวกเราในส่วนใหญ่ไม่ได้ใครทิดติดตามว่ากรรมเป็นของท้องตป็นอย่างไรเกิดเคร่งไปม่อยากต่อต่าง การดีอาไว้จะเห็นว่าการดีมันลำบากยุ่งยากล้าหุนในจิตของตนในเรื่องทำความชื่อความชั่วต่าง ก็ไม่เกิดขึ้นให้หรือเกิดขึ้นก็ไม่งอกงานให้ตามความป่าเถื่อนๆของใจยิง่งคนงานความดีหรือบุญกุศลก็ทํางานโยกกันฉะนั้นหากเราไม่ที่จะนาไม่แสวงหาไม่ทาไวเราตายไปเก่อนจิงจะให้อยู่กลางเหรือเนเขาทาหาคิดแบบนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูก เป็นเหลืองขาตัวเองเพราะเขาของงินทองที่รหามาไดา้ถ้าเราไน่ทำเงินทั้งทาน ไ, ไม่ยอมเสียสละกไม่แสวงหาดอกผลทางใจมีแต่ยึดเอาไว้จะจะให้เป็ น, นบบเพื่อนดัดของตัวเราอีไปถ้าตายไปมันหยิ ด, ดยกไปไม่ได้หลุดหลานเขาจะไปสูญเสียที่ไหนก็ไในชาบอีก แต่เราตายใจจะไปคอยไปอาศยยี่สิบไหนยิจะเสื่เส้ยให้ถูกต้องาะนั้นผู้ที่ไม่ประมาทมีสติปัญญาจึงพิจรารณาทำคุณงามความดีเอาไว้มีการให้ทานการเสียสละการมือปิ่นเอาไว้เพื่อผลประโยชน์ต่อไปในภพครั้งหน้าคนที่ทำบุญทนทานบานคือ ในความดีเอาไว้ตายไปคนนั้นแหละจะได้รับดอกผลที่็นได้สร้างเอาไว้ในเม้่อทิ่งเราในโลกทิ้งเราในโลก ม, มีใครที่จะส่งเสียให้เราเสียสละสิ่งนั้นสิงนี้ไปไปเราคิดไปเราติดเราคล้องเกิดปีติตตตเกิดยินดีในวัตถุถาทายาทานของตน ทนั้นเราก็ได้ไห้ที่นี้ลราก็ได้ทําใจเลยเยีอกเย็นใจเลยเป็นสุขนี่เป็นอาหารข้อใจข้อหนึ่งสิ่งทุกคนควรที่จะพิจารณาแสวงหาเพราะว่าร่างกายนี้ถึงจะรักษาได้ขนาดไหนก็ไม่มีวันที่จะหายจากความตายไม่ได้ดทุกไายจะต้องตายเดียกันแต่ทำงานความดี เว่านั้นทั้งตายไปคนงามความีก่าจิตตานตามตัวไปเหมือเงาเราจะไป ừ, ที่ต่ำที่สู้ทุกเขาเลงหน่อยน้องยินบางที่ไหนเงาก็ตามไปตาขดดูเสมอคนงานความีกว่เหอเงาเนนั้นจึงควรทำกันเมื่อเราตาดคณะดีถ้าเราสร้างเอาไว้ทำเ อ, อาไว้ ก็ไม่ผิดยลังเราจะไปคิดใดทางใดเกืียดสถานที่ใดก็มีความสุดทางกายทางใจไม่เป็นคนอดอยากอยากเป็นเพราะเป็นแบกต่างสมอรมเอาไว้สิททานนบาลีนอกจากนั้นเราทำทางการผูสมก็ตาเป็นการบำเพ็ญรัก ษ, ษาภะจาพรสงฆ์พระศาสนา ยืนยงคงอู่พระเจาแผงที่จะมีธรามเนี่มีกําลังกายกําลังใจจะพูดปฏิบัติได้ก็ต้องอาศัยการใหายาจเพราะท่านไม่ได้ทำนาค้าขายไม่ได้มีเงินเดือนเดือนอะไรหรือเป็นการเการก็จะมีเงินเดือนอาศัยทานของคารวะผู้ให้ มาบำรุงรักษากายของท่านให้ปฏิบัติรักษาธรรมด้วยในศึกษาขอวัดต่างๆเป็นตลอดประพฤติทางจิตทางใจให้สงบเงียและรับบิดพิณการให้ทานเป็นการบำรุงศาสนาบ้านหนึ่งหากบ้านใดเมืองใดนหยอมเสือสละ ถ้ม่มีการให้ทานให้ท่ายพะสงท่านจะได้มีไปอาศัยมือยได้เพราะท่านจมมีอะไรในตัวของท่านอาศัยคนอื่นเท่านั้นเรื่องชีวิตคือชีวิตของฤี้สุถผูกขอขอคน อ, อื่นกินขอคน อ, อื่นมีเงนแต่ขอเดียวอาบัติปิยาของสมรนะ เอ่ การายใจยิงเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งสึ่งทวกเราควรปฏิบัติควรนกคิดเอาไว้เพื่อเป็นมเป็นตัวตนของตนต่อไปสิ่งที่เราควรนึกคิดคปดวิจารณ์อย่างไหล่นี้พอเราจะไปรักษาถึงประคดวัดปฏิบัติกายใจจริงจเข้านาได้ เรายังยินดีในโลกอยู่เราก็จะต้องสั่งความดีดั่งทางเป็นเครื่ประดับจิตใจั้งตัวต่อไปหากเราเสีสลาได้เราในโยกค้องกับอย่างคารวะดีใสตั่งใจกับเระพึ่ปฏิบัติตัวในต้องต่อธรรม้นใจจริงจังเป็นคารวะโยีไม่ได้ ถ้ารา ม, มีใครสนใจที่จะให้จะรักษาต่องขอมาเป็นสมณะคือนักเรอย่างของ้อมูลของผูส้สอนเขาจะไปสอนคนให้รู้จักข้อมูลนั้นเป็นความสุขอันหนึ่งถ้าคนมีมุญมีความสุขถ้าคนมีบาศมีความทุกข์ เราต้อตรวจตาที่เวนาตัวของตัวเองเราทุกเราเดือดร่อนหุ่นยายทุ่งคนไปในถือว่าคนอย่างนั้นมีมีมีปุถุนถือว่าบาปต่อปุถุชให้คนแก่เขาเนี่ยเราทราบได้อย่างนั้นตามใดที่เราควรจะทําลงไปเหนยอกายกายใจใจกบเพียงใส่คิด เจอมาเราจะให้ผลดีชั่วอย่างไรแค่เราเท่านั้นจะเป็นผู้รับกรรมที่เราทําำในใจจำแดงจะให้คนนู้นคนนี้เป็นผู้รับกรรมแทนเมื่อเราทราบว่าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ใหผ้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิด ม, มีกรรมเป็นผู้ติดตามอย่างนั้นโกติมีดเมื่อกะทำกร DIY, กรมดีเอาไว้กรรมดีที่เราทําไป ไม่มีใครี่จะไปแดงไปต้นเอาไปได้แต่ไยจากใครไม่ยินั่งทุกขจนต้นมิพาลาชาลิกไปเป็นทรัพย์ไทยในคืออริยทรัยรพย์เราทำกรรมดีจิตใจของเราตป่ดีมีความสุข ไปสถานที่ใดก็มีผูรักให้อินดูมีผู้ะนมถนอมรักษาเพราะการดีของเราคือส่างเอาไว้ให้ผลแก่กายแยก่ใจของเราแต่นั้นการดีมิควรแบ่ทำบำเท็งให้เป็นไปในใจของตัวอย่าไปคิดว่ากานที่เราทำลงไปไม่เหตุผลอะไรคนที่คิดลึก อย่างนั้นโม่มีทางที่จะทำความดีได้บางคนไปคิดว่าการทำางินทำสุขสนเหมอาานอดอยากอยากจนมุดเกิดอิบปติเหตุแต่คนโกงเขาเกยป็นที่เ ก, เกิดหล่งเลยเกิดหนังมีอขึ้นหนังคือการชั่วยังไงผลแกเขา เขายังหลงไหลในความช่วอยู่เหมือนกันกับคนป็นยาคิดแต่ยาคิดนั้นยังไม่ผลเกิเขาเพราก็เลยเพิกเิยว่ายาคิดนั้ น, าา น, นมีรสชาติดอร่ดอยอร่อยแต่เมื่อใดมันออกนทธิ์พิษคนยาคิดเกิดขึ้นเขาเองจะเป็นผู้เดือดร้อนเขาเองจะได้รับควบามทุกข์ทามา ถึงแก่ความตายได้ฉันใดคนถ้งความชั่วที่ตัวทำว่าเป็นของดีขอมีคุณค่าต่อทํานเดียวกันคนที่ทำดียังไม่ได้ผลรับผลความดีไตกตัดในแต่บีนันก็อย่าไปเสียใจความดีนั้นอาจจะให้ผลหรือให้ผลอย่างแน่นอน ในการใดกด็เวลาหนึ่งในการข้างหน้น า, า, นาอย่าไปคิดว่าทาําดีจะไม่เกิดผลดีอะไรถ้าเราสอนใจของเราอย่างนั้นใส่ใจว่าความดีที่เราทาํทาไปเป็นสมบัติของเราเราเองจนที่จะได้รับผลความชัว่วที่จนทาลงไปก็ทํายางเดียวกันเราก็สามารถเลี้จากความชัว่วที่ตัวชอบตัวบินดี ไม่หมดไปจากใจทองตนมถึงใจจะไม่ชอบติดชิดข้องในเรื่องการดีขอพยายามบังคับใจให้ทําในความดีเหนือเราทำไปแล้วต่อใจนานๆเข้าความดีแต่าบซึมเข้าไปสู่จิตใจท่องเต็จิตใจท่องเต็มไปเยอกเย็นเห็ น, นผลว่าการทําดี มีคุณมีประโยนอย่างนี้อย่างนี้อยู่คือการสอนตนท่องตนเพราะคนเราเกิดมาจะต้องไปสู่จุดเดียวกันคือการตายทางนั้นเมื่อเราที่เจอนาอย่างนี้อยู่ในเนื้อไปการต่างพลางความดีถึงจะเหนยากลําบากกูษ า, าพยายามสร้างเอาว่าถือว่าเราสร้างเหตอตัวของเราเหมือนกันกับตัว แต่พิการมีืทำานทำสวนถึงจะเหมือยเหนือหิวแดบถึงมีมาโตทนใจพ่อหวังผลหวังกำไรจากการกระทำถ้าเห็นว่าแดดออกฝนตกมันลำบากอยากเินไม่ไปทำงานมึนก็หน่อยเหนน เงินม้นก็ ไ, ไม่เพิ่มอีกแล้วเามีอะไรขาย <c oughs> ฉะนั้นเขาเป็นยินดีถึงแต่ลำบากถึงยากขนาดไหนอุตส่าห์ังคับใจเพืเป็นธรรมเพราะหวังผลที่เป็นธรรมนั้นจะได้รับในการทำงหน้ามีการสัางพนักงานคนดีมารักษาถือเป็นแต่ลำบาก จะนั่งจะนอนมันก็เหมือนดินด่างของตนการยูการกินทห า, ารรักษางถีบหั่นถีบลงไปม็นมีขอบมีเขตการกินไปตามความอยากของตนการให้ทานเหมือนกั น, นบังคับคจิตบังคับไปขงตนเพราะารเป็นทีมเหนือยอยู่ในใจมั น, าาม น, สสนมีทหารเนี่ยสาถีบไปต่อสู้ แตเอาจชนะเดี๋ยวที่เด็กจะหาแล้วมันก็ไปไม่ได้ไปไม่รอดจากนั้นทุกอย่างทางดียิ่งจะต้องมีการต่อสู้มีการอดทนขันติยุยักคือ ม, ม, มีความถาดความเพียรต่อสู้ความชฉีวยวความเคียดต่างๆเป็นมาเป็นมา ขัดขวางจิตใจทั้งคนคนหนวดที่เตรณาเหมนวาเนเกิดมาจะต้องตายและจะต้องสร้างคุณงามความดีถั่วเป็นคุณต่อไปในพรหชาติทางหน้าคนเั้นจะเว็ตประมาทมัวเมาหนุนหลงจนเกินไปการสร้างทะว่าะจะสร้างไป ตามฐานเนื้อหาที่ของตนเพราะกายจะต้องอาศัยวัตถุเป็นดูในอย่างนั้นต้องมีกําลังที่จะเดินจะเห็นจะทําการทํางานต่างๆได้เพื่อนใจจะต้องอาศัยธรรมะอาศัยยินถือเห็นได้จึกอส้างให้เป็นเพื่อนของของเราต่อไปนีเม่าเมาได้หรื่า เรื่องร่างกายแถวนั้เรื่องของใจระเบิดที่ที่ต้องทำไปนี่เวกเราชาวัดชาวอามาจันทร์ภาวนาก็คือมาสะสมความเชื่อเี้ยต่างๆมาทาคุณงามความดีเหตุตัวของตัวได้เชื่อเป็นผู้ในประมาทเกิดมาเนี่ยทาคุณงามความดีอย่างนี้ หากาติม่ใชว่างจะมีถั่วไปคิดดูคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในบ้านในเมืองคนสวัสดิ์สบายจังหวนภาวนามีน้อยแต่คนที่หนุงไหล่ฝันมัวเมาไปตามเดือของเกล็ปัญหาตามเดือดงโลกมีมากเราะนั้นบันทึท่านพิารณาไว้ว่าคนไปนลกเหมวนกันกับขนเงอก แต่คนไปสวรรค์เผ่ากับเขาเรือเมื่อเปลือยหนึ่งคนมันมีมากขนาดไหนเขาเลย ม, มีถั่วไรเราก็พอทราบได้มีไมยถึงบัณฑิตผู้ชนิพิจ น, น, นาธรรมนักเหยียบเขียบไว้นอกจากนั้นมาไถ่คิดเขาเป็นภายในธรรมที่ฐานที่จิตใจของเราคิดอ่านตรวกคุณความดูนั้นมีน้อยที่สุด จะคิดเร่องสิ่งไปในเรื่องเรื่องเรื่งเสื่อสารเรื่องความชื้อเชือต่างๆสิ่นี้เป็นาประโยชน์แก่เป็นมีมากอาจจะเกี่ยวกับวายจิตกับคนแต่ทำนองเดียวกันคนทมีวายจิตคิดไปในทางดีแต่ท่านที่อยู่ในวัดโมลามาจันรภาวนาเป็นจิตจะโลคิดหาธรรมะ แต่ แ, แม่สอนไปทั้งเป็นให้เกิดความมีความฉลาดมันมีน้องแต่มันคิดงงไปในเรื่องไม่ออกหนึ่งเสียมันหน้าเหมือนกันกับขนวัว แต่เราพี่เจนะ่ะทำมะอยู่ ส, งงสมันาัวเนื้อใจข้งเรามีความสุขมีความสบายมีความสงบเพราะทำน่ะเป็นยาแกาใ้ใจใจผิดคิดพุงส่งไประยองตาน ย, ยอยงเฉียวยองเสียต่างๆเพราะขาดหลักทำน่ะหากพี่เจนะ่ะความกาแก่เราปวดแก่ามาแล้วจะกลับเป็นเด็กอีกไม่ได้แล้วให้จนเะน่งตา เลือไหลออกมาจะเป็นหน่นเป็นเสาไปอีกไม่ได้ค่ะคนอายุแก่ขนาดนี้แล้วมีแต่แต่ตาสู่ความตายแถวนั้นนั้นแก่มาแล้วหนุนไปจับอยู่ในตัวของเราแล้วข้างหน้าของเรามันสั้นออกมาแล้วในสาวว่าวันใดจะถึงวันหมดลมหายใจยังไม่นานในจที คนที่เรานัง่งดีนี้ก็จะไม่เห็นหน้ากันต่างคนก็จะต่างไปตามหน้าที่จะไปเป็นหมูเป็นพัวกันอีกไม่ได้ตาตายแล้วการมงใครมีอย่างไรก็จะไปอย่างนั้นทั้งทั้นสิ้นอยากจะไปเหลือกันแต่มันก็ไปไม่ได้เพราะกัร ของคนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งกรรมของคนหนึ so things, like ่งเป็นอย่างหนึงีหมายถึงคนที่ทากรรมเหนื so ่อยกัน้าทากรรมเหนื่อยกันไปไปเื่อมันอย่างนี้ทำถึงสาวเอาไว้นักขนานพิจิจางคุณงานความดีเหนื่อยตายไปเดิไปสวรพระโสวัญพงก็จะไปเกิดสวรรค์ด้วยภรรยาสี่คนสามคนกยินดีในวินิจฉัยต่อไเกินด้วย ควรที่ไม่ได้สร้างมน่งมิถันอะไรเพได้ไม่ให้ไปกับเขานี่เป็นพยานหลักฐานอันหนึ่งในทางศาสนาที่ควรนมาที่วิจารณาสองใจไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วจะให้มันดิบมันเหลี่ยงคอยตามเหลี่ยงของมันจะด่ายอะไรไม่ด่ายอะไรจะเป็นอย่างไรข้างมันคนแบบนั้นถึงแบบเป็นคนประมาเกิดมาทั้งชาต ยังไม่สางคุณงามความดีอะไรตายไปไม่มีที่ถึงที่อาศัยถ้ามีคุณงานความดีในใจทองตัวเมื่อทุกคนทราบอย่างนี้ก็จะพยายามทำความดีเพราะความดีคือการดีจะเป็นส่วนงสองท้องตัวอยากจะไปเกิดสถานที่ใดก็ได้ตามต้องการเพราะเรามีความดี อยูในใจขางเราแล้วแต่อยากจะเกิดที่ดีแต่คุณความดีของเราไม่มีมันไปนเกิดไม่ได้เหมือนกันกันกบเราไม่มีเงินอยากจะสร้างบ้านใหญ่โตระหโหฐานอย่างเขาแต่ทุนทรัพย์ของเราไม่มีกําลังกายเของเราไม่มีถึงจะอยากจะได้ขนาดไหนมันก็สร้างไม่ได้เพราะกาลังกายส ท, ท, ที่จะก็สร้าง เงินโขมันมีวัตถุที่เราจะหานะก่อนอะไรที่จะแยกเปลี่ยงเขาถ้าคนมีเงินในจำนอย่างนั้นไม่ต้องไปจับไปตั้งอะไรสัางเสียอะไรสักจะตั้งบ้านหลังใดขนาดนั้นออกแทนให้เขาอย่างนั้นจะเอาที่แสนี่หลังถามสั่งเขาโหนกันเขาทำเสร็จ มันไปขึ้นทีเดียวสะดวกสบายเพราะเ้ามีพเนศทำได้แต่คนอย่างมีพเนไม่เป็นอย่างนั้นในสามารถที่จะสร้างได้ ừ, คุณางามความดีล่าวคุณมีตื่เต้นก็ท่านองเดียวกันคนทุกคนอยากจะได้เกิดสถานที่ที่มีความสุขแต่มันเกิดทุกยากลนบากอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่ก็เพราะกัน ของคนมันเหนี่ยงกันเราพิ่ารณาอย่างนั้นก็ไม่ควรต่อหน้าชาติที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นชาติสูงสุดฐานาที่จะให้ทา น, านารักษาศีลภาวนาได้สัตวทั้งหลายเป็นอย่างนั้นมันเห็นาสตรอะไรการให้ทานนั่นก็นลยคิด การรักษาศีลมันกินคานึงการ้านาจะยิ่งไปใหญ่เป็นเรื่องของศัมันเป็นอย่างนั้นเราจะมีแต่กินต่นอนต่เล่นแต่เพิ่อแต่สติปัญญาป่อกายอาชาป่อยใจของตัวไปยห้องระเวงความเชื่ออย่เสมอเสมอจนแย่กายเของสำคัญยิ่งจะเลี่ยงข้อใจ ทำไแตกอะไรกําเนื่องสัตว์พราะสัตว์ทั่วไปมันเกิดมาแลว้วก็หากินข้างมันสืบพัน์ข้างมันตามเลือกตายไปจะได้กินได้ทานใดมนไม่เคยคำเงินคำนวณเราจะเอาอันนี้ไปให้ทานวันนี้เราจะไรักษาศี่เวลา น, นี่เราจะภาวนาไม่เคยคิดจิตของสัตว์เป็นอย่างนั้นคน มีร่างสร้างตัวเป็นคนแต่จิตมันเป็นสัตว์มันก็เยอะเหมือนกันฉะนั้นเราจึกสอนจิตของเราสอนใจของเราฝึกซ้อมคุณงางความดีให้เกิดมีขึ้นจึงจะเเป็นโมฆะในการเกิดในป่าจากประโยอะเมื่อเราเลื่อหายตายไปเมื่อใดเราก็จะมีที่พึ่งที่อาศัยที่มีสิุงสนที่เป็นต่างไว้ เป็นสีดเกาะทิ่มเหนี่งต่อไปมีไม้ทิ้งถูกเป็นคลายาดถูกเป็นบันทชิตน้ามือหนกหมวอเทริมใหญ่ในสมัยพุทธการถ้ำเห็นไผ่ในรัตาทังสามเบียร์นายในการเสด็จตายมวอมาเพริ่มจะรักษาตายตายใจข้างจนสำราที่เหลดฝึกฝนให้ปิตใจ ท่องสาให้พ้นทุกนี่เป็นนักบวชสมัยพุทธกาลทิดอย่างนั้นเมื่อบวดมาท่านจึงไม่มีภาระหน้าที่อันอื่นนอกจากจะทำความเพียรเกี่ยวกับร้ายพิเรดมีสติปัญญารักษาสร้างวอนกายร า, ายใจมยตลอดไปจนจิตใจท่องทานบ ร, ริสุทมีมุตเป็นสรณะของพวกเรามาแต่พวกเราบวชเ ห, เห็นแตบวชคุณบวชไปตามท่าน แต่ทันดีวิเศษทันสมะพะติปฏิบัติอย่างไรในนำปฏิปทาเหล่านั้นมาสอนกายสวามใจขงตนมั่นจะเกิดผลอะไรบมวดหรือขลวมาเป็นทิศแตกแสต่างอะไรกันเพราะมิเยษเต็นเดียวกันปัญหาเป็เดียวกันแต่อโอกาสที่บมวดมีการงานด้านอื่นมีแต่จะสร้างคุณ ง, งามความดีสล มาจากหน้าคิดทิ่ทำลายจิตของตนแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้สอนตนอย่างนั้นพอหวนมาหยากจะเป็นยินเป็นเสือข้นจะมีความถูกความเจริญ จ, จ, จะดีจะดีวิศเศษคิดแต่เพียงเฉยไม่ได้มีการตรวจตาที่เจนาที่ใจว่ามันก็เกี่ยวกับเรื่องอะไร ควรแกไขคนดบรรลุไม่ด้คิดปรับปรุงตัวอย่างนั้นภายในไม่มีความดีอะไรเกิดขึ้นดันั้นนักเวทจึงควรพีพิจารณาชะภายในกายใจทุกตนสม่าเสมอต้องวรักษาสิ่งดีขอพระพุทธเจ้าเชถอนเอาไว้ทำสิ่อพระพุทธเจ้าช่สอนเอาไว้ให้เป็นเ้นดักของเรา เ, เรตาเนี่ยประกปัปฏิบัติก็คือเราทําลายตัวของเราเองไม่ใช่คนอื่นจะมาทําลายศาสนาเสื่อมต่อเสื่อมไปจากใจของเราไม่ใช่มนเสื่อมอยู่ที่อื่นถ้าหากเรตาปลุกปิบัดใจของเราได้ศาสนาไม่ก่อจเริญนจะเริ ย, รยอย่างไรเราสะอาดได้เนี่ยกายในใจของเราชีนเรารักษาตลอดปอดภัยในนี้ ที่ไหนเสียหายบางท้อสมาี่ความหนักแน่นตั้งมั่นคงใจในวันไหวต่อปัญญารมต่างๆเราประสาทพอเราทําเราบุ้งปฏิบัติเราฝึกเราอบรมตัวของเราปัญญาที่จะแจก้ไขจิตใจเราต้องรู้ว่าเราแก้ไขได้แบบไหนอย่างไร คงมีขอสงสัยมีนักบวดที่ศึกกายสึกใจอย่างนั้นยิ่งจะเป็นคนดีเป็นสารณนะเป็นพระเป็นผู้วิศ เ, เศษประเสริฐได้นี่ทุกวันทุกเวลาบวชมา ศ, ศึกษาใน่เพิ่มปฏิบัติไม่ดูปิดดีใจคงตนลอยหี้ยลอยลนไปตามที่เห็นปัญหาตลอดเวลา เรมีอะไรมีให้มีคุณค่าให้ถึงศาสนาเป็น ม, มากเลยผลดูแต่เป็นท่องจนไม่ฝึกฝนอะไรก็เกิดชังใช้ แ, าาใแต่ เ, เราอาภาบอาวัตศาสนาหวดมากกว่ามมีปด้จิตจงบลงนักแต่ไม่ด้บังคับบังชาจิตใจท่องจนให้อยู่ในขอบในเขตในังขอศาสนา อันนี้สมมติคือความเดียวย่องนี่มีความเป็นหนึ่ยให้นี่จจินตนากอย่างไรอนาคตต่อไปนัก็เป็นอย่างนั้นถ้าหาไม่แก้ไขฉะนั้นเม่านักบวชเ้ บางทีเข้าไจรู้ตามทำทุกข์นแนะนําสั่งสอนเดี๋ยวาะเราจะปฏิบัติตปฏิบัติตามทสอนได้หรือไม่อาจจะเป็นทัญหาอีกเดี๋ยปฏิบัติไปแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนจะเป็นอย่างนัง้นผูดหรือไม่อาจจะเป็นปัญหาอีกฉะนั้น ธรรมะจริงๆของญาติจริตัดเอะไว้ว่าปิดฉังตัดธรรมตวนาการฟังธรรมะเป็นของญามันยากหลายพันหลายตอนถ้าสมมติปฏิบัติได้เรีนไปทุกสิ่งทุงอย่างมันจะมีอะไรทีจะสงสัยพยายามทนี้พิจารณาพยายามศึกษา เราที่นี้ที่เจรณาศึกษาปฏิบัติตามผลที่เกิดขึ้นมันก็ค่อยเห็นคอยเป็นขึ้นในจิตในใจของเรานั่นเองอะนะหยุดเนื่ยะ